ต่อไปขึ้นกรรมวาจาสมบัติถามว่าอุปสมบทกรรมย่อมไม่เสียหายไปด้วยยติสมบัติอย่างไรตอบว่าโทษของยติมีห้าอย่างคือนะยะติก็คือการสุ ป, ปการเวลาบวเวลาบวชนะสมัยนี้เข้าบวด้วยยติจะตุคหกรรมวาจามีการสวดกรรมวาจาโดยการสร้างยติครั้งหนึ่งและก็สวนสามนาสามครัง้ง ตรงที่ยันีิก็คือการตรวจประกาศให้พระสงฆ์สร้างก่อนว่าจะทํากรรมอะไรครับส่วนนุสสามนาคือการเประกาศตรวจถามสามครั้งนะเพื่อตรวจถามสามครั้งนะครับเพื่ อ, อความเหม็นชอบของสงฆ์ว่าสงฆ์เห็นชอบหรือไม่มปาก น, นี้นะแล้วก็สรุปทีนี้ทั้งยันติก็ดีทั้งนุสามนาก็ดีเนะี่ยต้องมีความสมบูรณ์นะถ้าไม่สมบูรณนะ์นั่นมีโทษอย่างนี้การบวนแล้วก็จะไม่ขึ้นครับ แล้วก็พูดถึงท่อของยติก่อนว่ามีห้าอย่างนี้คือหนึ่งส่วนไม่ระบุวัตถุจอมีคําี่หมายนะวัตถุถคือบุคคลครับคนที่จะบวชน่ยสองส่วนไม่ระบุสองสามส่วนไม่ระบุคุคคลสี่ไม่ส่วนยติห้าส่วนยติที่ถ้าบอกว่าในพ่อของยติห้าอย่างนั้นการส่วนไม่บอกชื่อของผู้บวชว่า ผู้นี้มีชื่ออย่างนี้ชื่อว่าส่วนม่ระบุวตัตถุในตอนนี้นัในการสุดมะวารวาจารวันนี้ผมม า, ามาถายเอการมาให้นะครับก็บาจะขึ้นต้องภาชนะเปนอเซ็สังคมกันจขึ้นกระดาษให้นะครับหน่วย์เนี่ยเวลาสวดมะวาาจารขึ้นตั้น่นี้นะครับ นี่เป็นยตินะจุนาจุเมพันเตสังโคอายังนาโคอายุสมุโตสิตตะอุปสัมประทาเไปโคปริสุทธโธอันตรายิเกหิธรรมไมหิปริปุนณสะปะตะชีวรังนาโคสังคังอุปสำประทางญาติสติอายุสมุตาติตเสนาอุปชาเยนะเยชิสังขสะปะตะกัลลังสังโคนาคังอุปสัมปาเทยะ ไอสมุตะติดเสนาอุปชาเยเยนะเอสาญาตินะครับแปลว่าท่าถ้าเจริญขอสงจรฟังคำของพระพระเจ้านะนายนา่านี้นะครับเป็นผู้มุ่งประสมบทนะของท่านติดสะผู้มีอายุนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์จากอันตรายกระทธรรมทั้งหลาย อันตรายในการทํา้องหมายมีอะไรบ้างนะครับไหนนะคันโดซีมนุษย์โศซใช่ไหมครับเป็นมนุษย์นี่นะไม่ได้เป็นโลกฝีหรอกอะไรเหลอกนะนะครับนะครับมีบาทจีวอนะครับบริบูรณ์แล้วในนาค่านนี้ประสมบทต่อสงนะครับมีท่านติดสะเป็นปุประชาถ้าความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสงพึงประสมบทนายนาฮะ มีท่านจิตสัตวนะครับเป็นประชานี้เป็นยติเนี่ยตั้งติทีเดียแล้วก็สวนกับมาวารตาถามไปเก็จะเนี้ยวฟ้าวค้าตกันนะแต่จะเป็นคำถามว่าชอบใจแกสองหรือนะครับชอบใจแกท่านผู้ใดท่นั้นเป็นผู้นิ่งไม่ชอบใจแกท่านผู้ใดท่านนั้นเป็นผู้แล้วก็สุดถามเป็นสามพังอันนี้พูดถึงย ต, ติก่อนย ต, ติตอนแรกบอกว่าการสวนไม่ระ บ, บุวัตถุ วัวคุบุคคลผู้จะบวชได้แก่ายังนาโถนะครับไม่สวดตรงนี้ตัดกันไปเลยนะสุนาตุเมพันเตสังโคอายังไม่ลูกใคร <c oughs> อาญะสมะโตติดตาตาตัดกันไปเลย <c oughs> ไม่แ ม, ม, ม่เอาที่คนบวชนะครับนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไวมนะ ไ, ไปนะครับ <c oughs> ในฐานะที่จะต้องส ว, วดว่าสุนาตุเมพันเตสังโคในเวลาส ว, วดนี้ก็ต้องเน้นในขณะนะครับ เยอะนะเพื่อ ส, นะสตุต้องามหลักภาษาบาลีสุนหหนะสุเนพันเตร่ง้นัตงโคเขาจะเน้นเสียงหนักๆครับเนี่ยแล้วก็้เรียบาีคาก็คงไม่ได้เียนแบออกเสียงได้ถึที่เรียนาีค่ะแล้วถือว่าถี้ยไหครับไม่สมบูรณ์นะถ้าขาดฐานตอนไม่ได้นี่ไม่สมบูรณ์ ทีนี้นะครับกลับสวนว่าสุนาจุเมพันเตไม่สวดเพราว่าสังโคไม่ใส่เพราว่าสังโคเข้าไปด้วยแต่ชื่อว่าสวดไม่ระ บ, บุสองครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเ <c oughs> มื่อกี้เราถามแล้คือไม่สมบูรณ์นะเขาเคยก็มาสวดกันใหม่เขาเรียกว่าทันทําทันหึงกรรมคืกนกระทําให้มั่นคงนะสวดย้ำเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะมาสวดกันในวัดที่ เาใจว่าก็สวนถูกต้องนะก็จะมาทาซ้ำอีกตอนนี้สวนในหมวดอุปชาก็สวไปก่อนอย่างนั้นแหละแต่พออุปชากลับไปแล้วก็ทาซ้าอีกทีเนะาจริงๆนะถ้าอาารอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยก็ม่ขึ้นไม่ขึ้น <c oughs> ค็ถ้าว่าตามหกจริงๆนะถ้าคือไม่ขึ้นก็มันเป็น แบ้วถ้าเกิดกรรมจบไปแล้วแล้วก็มาสวดอีพีอาจจะกค่้าวัเพื่อมาสวดเพรว่าถ้าสอบปีพม่มาสวดรับนี้มีแค่ได้ได้ได้ท่านจะพูดเม่อไนะเดี๋ยวเราจะไปเจอเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับกรรมสี่อย่างนะครับในสานธรรมิกาว่างแต่น้องจ่ากที่บายลรเอียน้ครับจะพูดถึงเลยนะถาว่ากรรเป็นสมบัติที่ก็เคยทามาอะ มันสมมูรณ์อยู่แล้วนะครับการที่มาส่วนใหม่เนี่ยก็ใช้มันของยิ่งขึ้นถ้าว่าไม่สมมูรณไม่ถูกต้องนะการที่มาส่วนใหม่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ถูกต้องขึ้นตอนนั้นครับคือยังโดนยึดถืออย่างไรแต่ต้องไปลงแต่งตกรมกับพระก่อนด้านนี้ยค่ะแล้วการทำแส่งกตกรรมของพระตอนนั้นใช้ได้ไหมถ้าก็ขี้โกงดึงอ่ะบวชไม่ขึ้นนะคะใช่ถ้ารู้ว่าเช่นการบวชเนี่ย มันต้องใส่ผ้าห้าลูปใช่ไหมเป็นคนบวนให้นในประจัชาชนระบนในประเทศไทยเนี่ยสมมติว่าเอาผ้าไปห้าลูปพอดีไม่เผื่อไว้นะพอดีมีรูปหนึ่งที่บวชไม่ขึ้นอยู่ด้วยแล้วก็แบ่งบวชให้คนอื่นการบวชนั้นก็ไม่ขึ้นอีกนั่นแหละเพราะนั้นเวลามีพระจะบวนก็ต้องเผื่อข้าไปเยอะๆเผื่อมีคนที่บวชไม่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างทีใหม่ที่อื่นนี่นะเขาจะต้องเผื่อไหม เขาทำทำไมอ่ะไม่หมดไปขึ้นน่าจะเป็นพระหรือน่าจะเป็นเบนหรือเป็นลาว่าคะป้าความจริงก็ยังไม่เป็นยัเระ้วไป่างกัอนตรงนั้คือแต่ว่าใจท่านอ่ะท่านถ้าไม่รู้นะถ้าไม่รู้ถ้าว่าใจว่าท่านเป็นพระนี่นะตอนนั้นจิตที่เป็นส่วนๆทยังไม่มีนะก็ยังเป็นโทษแต่เมื่อไรม่เมื่อรู้คือถ้าแน่ใจจริงๆนะว่าตอนแรกยังไงก็ไม่ถูกนะก็ต้องมาทํากันใหม่ท่านมีใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดนะแต่ถ้าตอนแรกก็ มันก็บอกไม่ถูกนะบอกไม่ได้ว่าไม่ถูกต้องนี่นะอุปชาจะตรวจถูกก็ได้ใครจะรู้บางที่นะเขาบอกอันนี้นะครับที่ดีมันจะอาการาท่านก็บอกว่าท่านเคยไปนั่งฟังนะที่เขาสวดกันนะมาดีเขาสวดธรรมดานะครับเสียงอาจจะไม่ได้เน้นมากนะเราต้องสังเกตเนี่ยอาัาราก็ได้เนกันนะบางรูปที่สวนนะก็พอได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะคะคุณอาจารย์แว่าครับอาจารย์ เศษทิศเคลืนไปมันยังให้ซึ่งความหมายไม่ไม่ไม่เป็นเป็นการทบทุประสมุนไพรคะถึงถึงได้ให้ถึงไม่ไม่อนุญาตให้ได้ถ้าถ้าความหมายที่แต่กต่างอองเเษียศก็ไม่น่าจะจะมีผลตรงนี้นะคะมีความจริงมีเดี๋ยวจะมีคำที่มายนะมีคำที่มายนี่จะขึ้นนะครับมันจะขึ้นขนตนานนะเราไปนะครับ การสวนไม่ออกชื่อประชาว่าผู้นี้เป็นประสัมประธ์ไปคะของพิสูจนชื่อนี้ชื่อว่าสวนไม่ระบุบุคคลปชาคือคำว่าไอสัมาโตติดตันะครับในนาค า, านี้นะครับเป็นผู้มุ่งประสมบของท่านติตตัผู้มีอายุเราก็ไม่ออกคําว่าติดตังนะครับตัดไปเลยนี้ชื่อว่าไม่ระบุบุคคลนะครับคือแม่ระบุประชานี้ก็ไม่ขึ้นนะใช้ไม่ได้นะครับ การสวดโดยไม่ต <G Smash and cookies> ั้งยติไม่ได้ตั้งยติส่วดอนุสาวนาอย่างเดียวถึงสี่ครั้งชื่อว่าสวดไม่ตั้งยตินะครับนี่จะไม่มีรองเท้าและเอกสารยติอันแรกไม่สวดเลยนะครับไปสวดแต่ยติอย่างเดียวธรรมดายติสุธกรรมเนี่ยเขาต้องตั้งยติบางครั้งนึงและสวดอนุสาวนาสามครั้งรวมเป็นสี่นะครับแต่อันนี้เขาไม่ตั้งยติเลยเขาสวดฐานไปเลยสี่ครั้ง นี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้สวดยตินะครับต่อไปการสวดอนุสาวนาให้จบลงก่อนแล้วสวดว่าเอสาญติทีหลังนะธรรมนานญติต้องขึ้นก่อนเลยอนุสาวนาทีหลังนะครับแต่นี่เขาไปสวดอนุสาวนาก่อนสามครั้งนะสวดถามก่อนท่านยัไม่ได้ประกาศแจใ้งข้าวเลยนะเขาสวดถามไปก่อนเลยแล้วกําลงท้ายด้วยญติทีหลังนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับ แล้วตั้งยติอย่างนี้ว่าคำมติสังคซะย่อมช่อมใจเก็นสองหรือเรีชื่อว่าการตั้งยติในไทยหลังการส่วนอนุสาวรนาจบก่อนแล้วตั้งยติยก็ใช่อุปสมบทที่ปรรัสกาทอดดังที่กล่าวมานี้ถึงพร้อมด้วยยติย่อมไม่เสียไปเพราะสมบูรณ์ด้วยยติสมบัติต้องไม่มีข้อเหล่านี้นะส่วนข้อทุยาครับตั้งแต่นั้นะ ชื่อคอนบัวก็ระบุนาโคนแล้วสังโคก็ว่านะชื่อกวชาก็ว่าแล้วส่วนถึงต้องตามขั้นตอนอันยติครั้งหนึ่งนิสาวนาสามคำต้องเล ย, ยนี่ถึงใช้ได้นะครับอต่อไปนะต่อไปแม้ในการที่ผสมบทกรรมไม่เสียไปด้วยอำ น, น, นาจนิสสาวนาการสวดประกาศอันนี้นิสาวนาแปลว่าคำที่ต้องสวดหลังสญญตินะหรือว่าคำที่ต้องสวดซ้ำ เพิ่งทาบดังต่อไป น, นี้ทอดของอนุสาวนามีห้าอย่างนี้คือห น, นึ่งส่วนไม่ระบุวัตถุนะเมื่อคล้ายกันกี น, ก น, นะครับก็คือไม่ระบุคนบวช ส, สองส่วนไม่ระบุสงไม่ว่าสังฆะสามส่วนไม่ระ บ, บุบุคคลนะคือประชา 4. สี่การส่วนอนุสาวนาที่ใช้ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ย จ, จะอธิบายแะขลอะอะไรอะไรนะแล้วค น, นนี้แหละ ห้าการส่วนอนุสามวนาในเวลาไม่สมควรในโทษของอนุสาวนาเหล่านั้นการส่วนไม่ระบุวัตถุเป็นตน้นมีอธิบายเหมือนในโทษของยติส่วนไม่ระบุวัตถุก็คือไม่ระบุชื่อคนที่จะบวชเช่นไม่ว่านาโคนะส่วนไม่ระบุสองก็ไม่สังโคก็ไม่ว่าส่วนไม่ระบุบคุคคลก็ไม่บอกชื่อประชาเนะนี่ยก็คือเหมือนกัน แต่ว่าอนสุสาวานไมันช่เป็นการประกาศแจ้งสร้างแต่เป็นการสวดาถามถามความยินชอบของอสองฆอันนี้เป็นกรรมหนักนะการไปสมบูรณเป็นกรรมหนักเพราะฉะนั้นเวลาท่านถามม่นจะต้องสวดถามหรือถามระนะเพื่อดูความเห็นช่ อ, สองสองฆ์สงฆ์ชอบไม่รู้าถ้ามีใครค้าแม่รูปหนึ่งใค้าไม่เห็นด้วยบวชไม่ขึ้นไม่ขึ้นนรับต้องทุกคนเห็นด้วยนิ่งนะไม่ทักท้า ฉายานายา<ม>ั่นก็ฉายาอือนะก็ชายครับเพราะนั้นก็ว่าตรงนี้ก็เหมือนกับทษของยตินั่นแหละแต่บรรดาอนุสาวนาทั้งสามการสวดไม่ระบุวัตถุเป็นต้องเหล่านั้นในที่ใดที่หนึ่งจะเป็นการสวดไม่ระบุเหมือนกันเพราะว่าอนุสาวนาเวลงสวดต้องสวดสามครั้งนช่ไหมครับ ก็ต้องระมุ่ให้ครบทั้งสามรอบนั่นแหละนะนี้ถ้าเกิดไม่ระบู่รอบใดรอบ น, นึนะ่เอองเนี่มีใช้ไม่ได้อา่าก็การสวดนะต่อไปก็การไม่สวดกรรมาวาจาตามวิธีที่ถูกต้องเนี่ยน่าเนะริ่มแล้วสวดยืติอย่างเดียวถึงสี่ครั้งไม่สวดกรรมอนุสาวนาไม่ว่านะครับว่าแต่สวดประกาศข้างเดียวไม่มีการสวดถามนะนั่นก็ใช้ไม่ได้ บางทีระหว่างกัมมวาจาก็ไม่สว่วนหรือส่วนอักษรหรือบทไม่ถูกต้องชื่อว่าการทำสาธารณะให้เสียไปนะครับอันนี้ในที่ถ่ายเอกสารหนังสือเล่มใหม่นะจะเขียนสํำนวนใหม่ให้ตรงเลขว่าเลขหนึ่งนะครับคําแปลตรงนี้นะเป็นสํานวนใหม่ซึ่งจะชัดเจนกว่านะครับแปลว่าก็หรือว่าไม่สว่วนนะครับไม่ส่วนเลยนะหรือส่วนไม่ดี ซึ่อัคระหรือบทในระหว่างกัมมวาจานี่ยตรงนี้นะครับหมายเพรามว่าอย่างไรตรงเนี้ยที่จะกี่าหละกฐานก่อนนะครับหมายความว่า ย, า, ายติอนุสาวนาต้องสวดสามครั้งใช่ไหมครับถ้ารู้สึว่ามันนานเกินไปตั้งสามรอบยาวนะ่ะน่าจะเมือเ่อไรเอาแค่รอบเดียวพอ <c oughs> หรือว่าสองรอบพอเนี่นะครับข้าวเน้นอาาัคระหนักๆอะไรทีเดียวนะ อยนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเขาบอกต้องสวดถามสามก็ต้องสามนะอย่างนี้หรือว่าส่วนน้อสามครั้งแหลรแต่ว่าไปตัดอักขระหรือบทเพลชนะมังตอนออกไปโอ้ยมายาเนี่ยไปตันมันสั้นๆเจียดสามรอบ ก, ก็ได้แต่ตัดบทมังตองออกไปนะครับหรือถ้าบอกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ครับที่ว่าส่วนไม่ดีซึ่งอักขระหรือบทในระหว่างกรรมวันจันนะครับ ซึ่งตรงนี้นะเกี่ยวกับการสวดกรรมวาจาที่ผมแจกชิ้นอันนี้เมื่อวานนะครับใครเอามานะครับเกี่ยวกับหน้ากา น, นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะสวดกรรมวาจาเนี่ยต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับพียรชนะนะครับเรียกพียรชนะคุณทีนะความรู้เกี่ยวกับเพียรชนะสิกขาซึ่งสําคัญมากในการสวดยีนะเพราะว่าในมรดาสิบข้อเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ข้อด้วยกัน ถ้าผิดคือกรรมวิบัติเลยใช้ไม่ได้ออส่วนข้อที่เหลื อ, อ, อบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างถ้าผิดก็ใช้ไม่ได้นครับเดี๋ยวขึ้นกระดาษให้ดูนะครับแล้วก็จะเอาตัวอย่างให้ดูปเปีเดียชื่อเ อ, อ่เ อ, อพยัญชนะูุ้ทธิสิบอย่างครับความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะนะซึ่งเวลาเรียนภาษาบาลีเนี่ยตอนเริ่มตั้นะต้นอาจารย์ก็จะสอนเรื่องพว ก, กนี้นะครับซึ่งต้องรู้ก่อน มันมีวความสำคัญจนเป็นอย่างมากในการฝึกมัวาจานะถ้ารู่ไหนต้องการเป็นผ้าอ า, าจารย์กรมวาจานใครต้องเรียนเรื่องนี้นะใี้ดีตอนนี้ต้องมีมากกว่านี้นะครับเรื่องฐานกอนะของอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวนะมันเกิดที่ฐานไหนมีอะไรเป็นเครื่องมือในการช่วออกเสียงท้อนั่นเราต้องรู้หมดเลยแต่สิบอย่างเนี่ยอันนี้สำคัญอันนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เรียงตามของท่านนะ เลียงตามที่ว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างแรกข้อแรกนะครับชินีละเขาเรียกว่าเสียงอ่อนเป็นภาษาเป็นเสียงอ่อนนะบางเสียงไม่ออกเสียงหนักเสียงอ่อนธรรมดาสองชนิดหนัเสียงแข็งนะครับสามนิกหิตเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกสี่นิมมุตเป็นเสียงที่ต้องปล่อยธรรมดาไม่ต้องขึ้นจมูกนะครับทีนี้เสียงไหนว่าเป็นเสียงอ่อนเสียงแข็ง มันอยู่ในชิ้ที่แจกให้นะครับอยู่ในชิ้ที่แจกให้ใครไม่มีเมื่อวานไม่ได้มาที่เหลือที่ที่กูตีย่างเหลือสามแผ่นนะครับวันนี้ไม่ได้ออกมาครับเนี่ยงานยังเหลือามบารีใช่ไหมลองดูนะครับสระกแปดตัวสามมีสลากแปดตัวนะใช่ไหมมีชิ้นที่หน้าสามอสามตัวตามในชิ้นะครับสลากน้นก็จะแบ่งเป็นร้อยสามก็คิค่า วสามีกี่ตัวครับรัมีสามตัวคือคืคิูรับอิจูเสียงสั้นรัศมตัวเสียงสั้นรัมตัวอะอูีข้ามีห้าตัวคืออ่ะอีอเอโอห้าตัวนี้นะอันนี้ก็เกี่ยวกับมาว่าตามคันมาอยู่ก้อห้ากับข้อหกใช่หมครับนะอ่ห้าพีค่าเสียงยาวหกรัศมีเสียงสั้น ก็ได้แก่เสียงเสียงของสลากนะครับทีนี้สิสิทธิราชพนิษฐีตา ย, ย่ตรงไหนดูตรงเ <ừ. S 1> พื่อนชนาธิปสารีสาม์่ไมท่า่เียว่าวกฆ่ายี่สิบห้านะครับแล้วก็ดูลงมาเพื่อชนาวาวะวักยี่สิบห้าตัวกะขาฆ่าข้า ง, งะนะครับอันนี้เป็นหนึ่งวักเขาเรียกว่ากะวักโดยเอาตัวแรกไปตัวตั้งชื่อนะไอ้วักนี้วักก็แปลว่าพวกพวกแรกคือพวกกอไก่มีกอไก่ขอไก่คอควายคอระคังงอ จะว่าตากผ่าพัคคัญะนะครับแล้วผู้ที่สองก็จกชะฉาชัชัญะผู้ที่สามก็ตาก ผ, ผ่า พ, าาพัฒนาผู้ที่สี่ตากผ่าพัฒนาผู้ที่ห้าตากผ่าพปปะมะนะครับเนี่ยนะทีนี้เอ่าสี่สิ่าเสียงอ่อนนะครับอันนี้ก็เขียนไว้นะอักษรตัวที่หนึ่งและอักษรตัวที่สามของรัดทั้งห้านะครับเป็นเสียงออกนะเสียงอ่อนนะ คือนะคสิ่งออกนะครับสติล่านะก็คือกอนะครับกอกจตัดตัดปั่งนะครับเป็นเสียงออกเวลาออกเสียงก็ไม่ต้องออกเสียงแข็งนะครับอกอกธรรมกจตัดตัดปั่งนะแล้วก็ฆะขควานะฆะชะทะทั พ, พ, พนะครับนี่เป็นเสียงออ ก, กอสอนตัวที่สองและก็ตัวที่สี่ใช่ไหมของวะทั้งห้านะครับเป็นทันติกเสียงแข็งคือขอภครนะ หะชะทะทะผะไม่ยุ่เป็นเสียงแข็งในาาาเลวลาสุดมัฟวะตาเขาจะเน้นนะครับเป็นหะนะหะชะทะทะผะือครับแล้วก็ตัวที่เสียก็คือฆะชะทะทะผะนะครับนี่ือว่าข้าวนะถ้าใต้องการเรียนก็ไปเรียนภาษาบาลีก็ได้ครับหรือก็รียในแผนการหาหน้ที่การออกเสียงอันนี้อยู่ข้าวๆเป็นยังไงนะแล้วก็ได้แล้วใช่หมครับ เสียงอ่อนคืออะไรนะกัดจกักรนะตะปาะแะต้นนะครับแล้วก็เสียงแข็งก็ ข, า ข, าขาัดฉะทัศพาต้นนะครับเนี่ยนี่ก็เหิตเสียงขึ้นจมูกนะครับนี่กหิตลองดูนะครับเอาฟ้ อ, อนตัวสุดท้ายในหน้าในชีสเนี่ยในตรงตารางสุดท้ายเลยที่เป็นอัง น, นะครับอยู่ข้างล่างสุดนะอันตัวเนี้เป็นนิ้วกระหิตเสียงขึ้นจมูกนะครับนี่กหิตแปลว่ากด ที่มีการกดฐานและก่อนเพราะเวลาออกเสียงต้องพยายามเสียงขึ้นจมูกนะครับเป็นอังธรแล้วขึ้นอยู่ในด้านตัวนี้นะอักลงจังตังนเสียงมันจะขึ้นจมูกมันจะไม่ออกปากเต็มที่นะมันจะมีส่วนในขึ้นจมูกนะครับนะแล้วก็วิมุตเสียงปล่อยก็คือเสียงที่ไม่ต้องขึ้นจมูกก็ได้เสียงทั่วไปนะทีนี้มาว่าในข้อหนึ่งก่อน ก็สิทีน่าเสียงอ่อนใช่นคาว่าจุนานตุตอเต่าเนี่ยเป็นเสียงอ่อนน่ะตัวแรกธรรมดานะครับถ้าเราอ่านตอตเต่าไปจุนาถุถุนี่เสียงแข็งนะครับจุนาถุเมนะครับออกเสียงอ่อนเป็นเสียงแข็ง<ม>ก็มาวาจาที่บัตเลยนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับตูออกเป็นถูนี่นะถ้าตูธรรมดาถ้าถูต้องเน้ น, นครับถูนี่นะผิดเลยครับ ข้อสองท่านิสต์เสียงแข็งนะครับเสียงแข็งก็คือตัวพอพานนะ่ะอ่ะพอสำเพอเป็นเสียงแข็งนะครับออกเสียงเป็นพอพานพอาำเพอไปหรอเสียงสองว่าพันเตนะครับต้องเน้นหน่อยพันเตนี่นะถ้าออกเป็นพันเตธรรมดาเนี่ยออกไปเสียง อ, อ่อนอันนี้ก็ผิดบัเลยนะครับใช้ไม่ได้ต่นี่กเ็เสียงขึ้นจมูกนะครับอย่างเช่นคําว่าปัตตะกันลังนะครับ ปตะกันลังขึ้นจมูกนะลราออกอังเป็นเสียงอาว่าปตะกันลาถ้าลาเนี่ยจะปล่อยเสียงทางปากธรรมดาจะไม่ขึ้นจมูกนะถ้าปะตะกันลังขึ้นจมูกนะครับลังออกเป็นลายก็วิบัติเลยนะครับใช้ไม่ได้เลยแล้วก็สี่วิมุตตะแล้วเสียงปล่อยธรรมดาก็เสียงสนั่นทั่วไปที่นเช่นกระหิ่งนะครับเช่นสุนาตุนะครับสุนาตัวนานะ สุนาตุเราเป็นสุนั้นตุอยงนี้นะเอานาเป็นนันนะครับนี่ก็มีบทเลยนะครับนี่นะอืต่อไปนะครับข้อห้านะครับทีฆาเสียงยาวมากไปแล้วใช่ไหมสระห้าตัวนะรภาษาเสียงสั้นภาษาสามตัวอีกอูคาุเสียงหนักนะครับเสียงหนักความจริงทีฆาสระนี้ก็เป็นเสียงหนักแล้วนะครับทีฆาเป็นเสียงหนัก แล้วก็เพยัญชนะที่มีการซ้อนกันนะพยัญชนะที่มีการซ้อนกันก็จะเป็นเสียงหนักนะครับหนึ่งเช่นตัวไหนตัวอย่างของเสียงหนักจะอยู่ตรงตรงทางหอนตัวที่สามนะครับนักคำมตินะตรงนอนหนูน ก, กับคอไก่นะคอไก่มีจุดแสดงว่าเป็นตัวสะกดนะครับ<ม>ใช่ไหมนอนอ่านก้อนนักนะครับกตัวนี้เรียกว่าพยัญชนะที่ซ้อนกันวเวลาออกเสียงข้าจอดเสียงหนักนะครับ หนักคมันตินะหนักคมันตินะนี่นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงอ่อนก็เป็นหน้ามนติเฉยถ้าน้าขมันติเขาียกว่าก็คือเสียงเบาหน้าขมันตินะแต่ถ้าหนักขมันติเสียงหนักนะครับนแล้วก็เก้าสัมพันธะเสียงที่ต OK ้องอ่านติดกันอันนี้ไม่ยากสิบบวชทิตะเสียงที่ต้องอ่านแยกกันนะครับทีนี้ทั้งหกข้อสุดท้ายนะ นะครับของข้อสุดท้ายเนี่ยที่กรรมวาจาไม่เสียก็มีถึงจอบผิดนะแต่กรรมวาจาไม่เสียก็มีนะครับแต่ที่กรรมวาจาเสียปเลยก็มีนี่นะลองดูถ้าลองดู <c oughs> อย่างเช่นเขาว่าพิกขูนังเนี่ยความจริงมันเป็นพี่ขูขูนะครับเป็นเสียงยาใช่ไหมเราเป็นพิกขุนังนะคร <c oughs> อันนี้กรรมวาจาไม่มีบัตรใช้ได้เพราะความหมายยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับ พี mm ่ข hmm. ูก็ได้พิ่ข so ู่ก็ได right. ้นะเนี่ยได้ได้สองอย่างนะครับส่วนพ่อหูสุหูใช่ไหมเป็นเสียงยาวเราเป็นพ้อหูสุเสียงสั้นอันนี้ก็ยังใช้ได้เพราะความหมายไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนนะครับถือว่าใช้ได้ต่อไปนักธรรมติเสียงหนักอกเป็นนักธรรมติเสียงเบาอันนี้ก็ยังไม่ผิดนะครับเพราะว่าสาหมอยได้ทั้งสองแบบความหมายยังเหมือนเดิมนะความหมายไม่เปลี่ยนนี่ก็ยังไม่ นะครับต่อไปตุนหัสะนะครับอ่านเป็นตุนหีอัสะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นเสียงที่อ่านติดการตุนหัสะใช่ไหมเราไปอ่านแยกนะครับไปแยกต่อเป็นตุนหีอัสะอันนี้เป็นกาใช้ได้ความอยู่ที่ความหมายเหมือนกันนะความหมายยังไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้เขาเรียกว่าออกเสียงติดการเป็นเสียงแยกนะครับหรือว่าอีกคํานึงว่าติดสันจะถ่าติดอะไรนะติดสันจะ ถ้าเป็นปิดสังแล้วก็จัดนี่ก็ยังใช้ได้นะครับที่ถูคุยใช้ได้หมดเลยคำว่าตามไม่เสียไม่มีบัตรนะแต่ถ้าเคำว่านาโคนะครับออกเป็นนาโพรผิดเลยนะครับความหมายี่ผิดไปเลยนะนาโคนี่อาจเป็นชื่อของคนก็ได้คนนี้ก็ชื่อนาคะแต่แ เ, าเราส่วนใหญ่เขาว่านาคามันผิดคนไปเลยนะครับเป็นหคนหนึ่งไปเลยนะ พวยนาโคนาคาแปล ว, ว่าพญา น, นาคก็ได้ช้างก็ได้พาะราหันก็ได้จริงนะครับนาคาแต่ว่านาคาแปลว่าต้นไม้เเสิ่งที่มันมันไปไม่ได้นะมันอยู่ไปที่ต้นไม้หรือภูเขาหราือวัดนระปรางค์เนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปเลยอันนี้นาโคนันเป็นเสียงยาใช่ไหมครับออกเป็นนาะโคเสียงสั้นความหมายเพียนนะอันนี้ก็กรรมวาจามิบัติเราใช้ไม่ได้หรือว่าติดโซคาานนี้เขาชื่อติดโส ม, มีจุดนะ เราเรียกเขาว่าติโซนะครับ <c oughs> อันนี้มันออกเสียงหนักติโซนะเป็นเสียงเบาตีโซพวหมายเสียนนี่ก็วิบัตรใช้ไม่ได้หรือว่าสังโคนะครับออกเป็นสังโคนียหายไป น, นะนี่ก็หินหายไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเสียงหนักเป็นเสียงเบาคพาหมายก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ยาสตินะครับยาสตินะออกเป็นยาจังติ เอาดูที่ตัวจอจางนาฬยาจะติจานีเป็นเสีย ง, บงเบาออกเป็นยาจันติเสียหนักนะครับอันนี้ก็วิบัติถามว่าความหมายเทียนไหมก็แปลว่าย่อมของกันนะครับแต่ที่เทียงคือพจนะ์เขายาจะตินีนเป็นแค่พจน์ใช้กับสียงสิงเดียวยาจันติใช้กับของหลายอย่างนะครับนั่นผิดพจนนี่ก็วิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าองค์พจอสุดท้ายเนะี่ย ที่มีบัตรก็มีที่ไม่มีบัตรก็มีแต่นี่สังเกคือถ้าความหมายเพียนก็คือใช้ไม่ได้นะครับเอท่านคระอคนวนมอเขาอเเขาไม่ได้ตั้งใจเขาม่รู้นะเขาไม่มีท่อไม่มีอาบัตอะไรนะแต่ความจริก็ต้องศึกษากันให้ดีแหละ สมัยนี้บางทีมันต้องยองรับความจริงว่าอยู่ในยุคที่เสือ่อมยุคสนามกำลังเสื่อมสองเป็นห้าร้ยกว่าปีแล้วเนี่ยที่จะถูกต้องอะไรแบบต้นตำรับนี่ก็จะหายากน้อยลงน้อยลงทุกวันเรียงเป็นธรรมดาอันนี้อั น, นก็ผ่านนะครับ อ๋อตอนนี้ไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นกรรมอะไรนะแต่เกี่ยวกับว่าการสวดข้อปรนะลิบน่ะที่ถ้านบอกว่าจะแบบได้รับอนิสงส์เต็มที่เลยนะข้อประลิขุนของนะก็ต้องรู้สึกจะมีอมนะส่วนถูกต้องตามขลังด้วยนะสําหรับผู้สวนนะจะถูกต้องตามขลังด้วยรู้ความหมายด้วยแล้วก็มีจิต ป, ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะ แต่ถ้าสวไม่ถูกขลายนะบาทีก็อาจจะไม่ได้ร่บส่งเต็มที่่นีะแต่คนน้นะอืครับอันนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับารสวดอนุสาวนาเพราะงี้ทั้งยันติก็เหมือนกันนะครับยันติก็จอนุสาวนาตัวดีเน่ต้องสวดถูก ต, ต้องตามขลาวให้เหมือนกันหน้าหลั บูปสมบัติกรรมที่สมบูรณ์ด้วยอนุษาวนาคือการสวดสวดถานครับปะจากษโทษตามที่กล่าวมานี้ย่อมไม่เสียไปเพราะสมบูรณ์ด้วยอนุษาวนาสมบัติ okay. เไเยีนสีก็สมบูรณ์สาวนาสมบูรณ์